สองพันห้าล้อยเก้าสิบกว่าปีแล้วหลังจากการตัดสลูได้ <c oughs> วยันเพลงเดือนหกตัดสลูงานแสดงทำมันเพลงเดืน 8, อนแปดธรรมเทศสนากันนี่ก็ประมาณสองพันห้าล้อย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 บอกเคิร์นจเมื่อมีคําพูดว่ามีสติเห็นเห็นอะไรเห็นกายอะไรที่บันสลัดเคินในกายเห็นกายมีอะไรที่มันจะเกิดช่อนเท่านั้นเองเป็นตัวเป็นตนอะไรที่เหมันเกิดกับกายมีเยอะแยะ ความปวดความมวย่ยความร้อนความหนาวความอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาก <c oughs> ารสลัดเคลื่นอนทำให้เห็นสักวากายไม่ใช่สัตว์ปกอตัวตนเราเขาเป็นการสลัดขค้ืนแต่เป็นคำพูดมันเป็นความในใจมันเป็นการกระทำถ้าได้ถึงคำว่ า, าสวาวะกาย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 อย่าเข้าไปเป็นกันทั้งหมดให้เห็นให้เห็นให้เห็นให้เห็นอย่าเป็นอย่าเป็นนี่เป็นการกระทำที่สรุปทั้งหมดเลยกมือเดียวก้วมทุกข์กอมดับทุกข์ดับบม่เรือ่งทุกข์คือลักษณะแบบนี้จึงเป็นน่าจะขยันขันแข็งกระตือเร่ร่อนกัน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 กาอา ก, ก็งานอากลงานข้างข่าวเป็นก่องโยล่ยิ่งไม่ทำก็ยิ่งมากขึ้นหลงที่ใดก็เป็นหลงแล้วก็ใหญ่โตขึ้นอ่ะทุกที่ใดก็เป็นทุกโกรที่ใดก็เป็นโกรด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 ระหว่างไม่ทุกระหว่างมันโกรธระหว่างไม่โกรธแน่วแน่ที่สุดเลยนะเป็นทรมที่สุดเลยมั่นใจมากแต่บังคับข่มขืนไม่ได้ข่มขืนคนอื่นมันมข่มขืนตัวเราเองก่อนแล้วโกรธมันมข่มขืนเราแล้วยิ่งเป็นด่าคนอื่นเป่งทำให้คนอื่นเดือดร้อน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 นการกระทําลงไปโอ้กายมาทําโอใจมาทําทันทีเลยทีเดียววิธีที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะใช้มันสมองแร่ปรับก็ถึงถั่วทันทีไม่ต้องไปคิดเรื่องไดมีสติดูกายก็เห็นรติไม่ต้องอธิบายไม่ต้องไปใช้สมอง คิดถ้าเห็นหาผลชัจัตธรรมมันเหนือเหตุเหนือผลเหตุผลไม่ใช่ชัจัตธรรมเหตุผลฆ่าก็ตายก็ได้ทำลายตัวเองก็ได้แต่ชัจัตธรรมเนี่ยมันเหนือเหตุเหนือผลเช่นความหลงกับความไม่หลงถ้าเราเห็นจริงๆนะอะไรเป็นชัจัตธรรม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 ทรัพย์สินเงินทองไรนาบ้านเรือนกิงแบบสมมุดบรรญัติบุตรพันชาสามีกิงแบบสมมุติบัญญตาาบบมมั ต, ญญติไม่ใช่ปรามาัตาจัจกรสมมุติใช่กันนี่เป็นนาของคนนั่นบ้านของคนนี้เป็นสมมุติบัญญตัติแต่ควมจริงไปกิงก่งคนนั้นมันเป็นปรามารจาักรอันนี้เป็นสมมุติจริงแบบส ม, มุดกิ่งปรามาจักรมันหมายถึงชีวิตเรานี่ยแหละ วัตถุบัญญัติวัตถุปัจจบัอาการแล้วก็วัตถุเป็นรูปนามธรรมเป็ น, เ ป, นเป็นสมมุติเหมือนกันเช่นกรมโกรธเป็นสมมตุติบัญญัติเป็นนามธรรมกรมโกรธเป็นนามธรรม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 ทำไมหลวงพ่อจึงพูดว่าไม่มีไม่เป็นมันเป็นวิปปบาตันหาหนาๆะแยกได้เหมือนกันนะวิปปบาตันหาตัญหาในความไม่มีไม่เป็นธรรมจักรที่เราตวดไม่ใช่เนวทำไมหลวงพ่อจึงพูดแต่ความไม่มีไม่เป็น่นคืออธิบายยังไงความไม่มีไม่เป็นลายกาดในตัว น, นี้วิปปบาตัญหาตัญหาลายกาด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 ผมเลยเบาไม่รู้จะอยู่ไงเดิ น, ปนไปไหนก็เบาหมดแล้วเนี่ย <c oughs> หน้าเละๆเหมือนเกิดเหมือนเกิดตื่นเต้นอะไร <c oughs> มันเบานะ <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมเห็นผมมันเปลี่ยนเนี่ยเอ้ามันหลุดไปเยอะเยอะเยอเลยมันเป็นไงหลวงพ่อเป็ น, นยังนะไม่รู้มันก็มันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนจิตใจได้ไหมเปลี่ย <c oughs> นได้ตางเขาหรอันเนี่ยตางเขาจริง แต่การผมเป็นน่ะเดี๋ยวนี้จะมีสักคนไหมเห็นไม่เป็นข้าอะไรบ้างเห็นไหมเห็นไม่เป็นเนี่ยเราดูสิโอ้ยตลอดทางนั้เนี่ยนะกัมมือเดียวพับใส่กระเป๋าให้เอาไปใช้ตลอดชีวิตเห็นไม่เป็นเนี่ยนะโยงเออคนประมาณร้อยสองรอยคนอะคนวัง ที่หลงตาพูดเมื่อวานนี้ได้มาพูดในฝั่งเท่านี้ก็เอ้าอดีตแล้วอานมโมธนาะรยยอมเนอหรือว่อาเอาสองวงัญเจี๊ยบไปลา